คือมีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะบอกว่าอยากจะฟังคลื่นนี้ผียึดเมื่อครั้งที่เคยเล่าในรายการเดอะช็อคนานมาแล้วค่ะตั้งแต่ปีที่น้ำท่วมกรุงเทพนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะสมัยก่อนนั้นบีทำงานสถานีวิทยุสถานีหลักเลยแหละคะ่ะสถานีหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเยะโสธรแล้วก็คลื่นเนี่ยฟังได้ไกลฟังได้ชัดนะคะด้านข้าง ฝั่งทางทิศตะวันตกจะเป็นวัดป่าด้านฝั่งทิศตะวันออกนะคะก็จะเป็นไร่มันสำปะหลังฝั่งตรงท่ามจะเป็นป่ายูคาลิปตัสแล้วก็ด้านหลังสถานีค่ะเป็นป่าช้านะคะแล้วก็เป็นไร่ของชาวบ้านด้านหลังของห้องออกอากาศนะคะก็จะเป็นบ้านพักซึ่งบ้านพักเนี่ยจะเป็นลักษณะยาว2ชั้นถ้าหากว่าเข้าด้านหน้าจะเป็นห้องนอนของชั้นล่าง ะะแล้วก็เปิดประตูของห้องนอนชั้นล่างก็จะเป็นห้องน้มใต้บันไดแล้วก็เป็นประตูทะลุไปด้านหลังส่วนคนที่จะขึ้นไปชั้นบนต้องเข้าด้านหลังเท่านั้นของบีเนี่ยอยู่ห้องริมสุดทางฝั่งทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ห้องข้างล่างเนี่ยจะเป็นของห้องหัวหน้าสถานีวิทยุณะขณะนั้นแล้วก็ห้องทิตะวันตกมุมสุดเลยก็จะเป็นห้องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค อีกท่านหนึ่งที่อยู่ด้วยกันกับภรรยาแต่ว่าทั้งหลังเนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ6ห้องไม่ใช่6ห้องสี่ต้องเป็น1 2 3 4 5 6อ่้า6ะหห้องพอดีนะคะเพราะว่ามีชั้นล่าง3ชั้นบน3เขาอยู่กันแค่สองคนเท่านั้นก็คือมีหัวหน้าช่างเทคนิคแล้วก็มีห้องของบีเองนะคะที่อยู่กันสถานีวิทยุนี้จะเปิดออกอากาศตั้งแต่เวลาประมาณตีหค่ะแล้วก็ปิด ตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะอาจจะเที่ยงคืนนิดนิดหรืออาจจะเที่ยงคืนเป๊ะนะคะหลังจากที่วันนั้นรู้สึกว่า B เองก็ได้มีลูกหมามั้งมันจะมีอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันคือมีลูกหมานะคะเป็นเป็นหมาหมาพันทางนี่แหละคะ่ะได้มาเลี้ยง B เองก็เอาหมาตัวนี้เนี่ยมาเลี้ยงไว้ในห้องแต่ว่าเอาขังไว้ด้านล่างนะคะหมายังเพิ่งหย่านมเองเอาไว้ด้านล่าง ห้องของบีเนี่ยที่จะเข้าไปต้องเข้าไปด้านหลังแล้วก็ขึ้นไปบนชั้นสองของห้องต้องล็อกประตูเป็นกรอนนะคะจะไม่ใช่แบบลูกบิดเป็นกรอนด้านบนค่ะแล้วก็ล็อกกรอนด้านบนแล้วก็กรอนด้านล่างก็เอาหมาน้อยเนี่ยไว้ในห้องนี้แหละข้างล่างบีก็ขึ้นไปนอนทั้งบนตื่นตอนเช้ามาคุณผู้ฟังหมาของบีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องนี้แล้วมันไปอยู่นู่นห้องมุมสุดของทิศตะวันตกนะคะ มีก็งงเหมือนกันเอ๊มันทามันไปได้ยังไงคือมันเป็นปูนหัวหน้าสถานีที่เป็นเจ้าของห้องชั้นล่างก็ไม่อยู่เหมือนกันนะคะจะว่าหมามันตะกุยปูนหลุดไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เป็นไปไม่ได้หมายังเด็กอยู่ปูนเนี่ยขนาดคนนี่จะทุบต้องเอาใช้ค้อนเอ๊หมานี่มันเล็บมันยังไงกันมันถึงจะขุดไปได้ก็ไม่มีวี่แววห้องก็ยังล็อกอยู่เหมือนเดิมอะไรอะไ ร, ะไรก็ยังล็อกอยู่เหมือนเดิมแตกใครล่ะ เอาหมาไปไว้ในห้องทิศตะวันตกนี่คือเรื่องที่บีงงที่สุดในเรื่องหนึ่งของชีวิตเลยณนะปัจจุบันยังหาคําตอบไม่ได้ถามใครก็แล้วถามใครก็แล้วนะคะแต่ว่าเจ้าของห้องทางทิศตะวันตกเนี่ยที่สงวนชื่อเขาละกันนะคะก็บอกว่าประมาณตีห้เขาเป็นคนไปเปิดสถานีเขาบอกว่าเห็นเหมือนคนอุ้มหมามาไว้ที่ห้องของเขาซึ่งเขาก็เข้าใจว่าเป็นตัวของบีเองนะคะบีก็เลยแบบอืม หรือว่าเราละเมอลงมาแล้วก็อุ้มหมาไปไว้หรอไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มั่งก็เลยปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยยังคงความสงสัยกันต่อไปนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเกิดที่นี่แหละแบบเดียวกันเลยบ้านพักของสถานีวิทยุในห้องของบีอยู่ชั้นบนนะจําภาพนี้ไว้นอนตอนกลางคืนหลังจากที่บีปิดสถานีแล้วนะคะเป็นเวรของบีเองต้องปิดสถานีวิทยุเรียบร้อยยกคัตเอายกอะไรลงเรียบร้อยแล้วประมาณปี2 ถ้าจำไม่ผิดนะครน่าจะประมาณตีสองมันมีเสียงเหมือนคนเดินอยู่ด้านหลังที่เป็นป่าะคะ่ะที่เป็นป่าเป็นทุ่งเป็นเป็นหญ้าป่าหญ้าถัดจากป่าหญ้าไปแค่นิดเดียวเองก็จะเป็นป่าช้ามันมีเสียงคนเดินเนะะี่ยดีดรองเท้าแทบแทบแทอยู่ด้านหลังคือดีดรองเท้าแล้วไม่พอนะคะก็เอามือมาตบแบบตบเหมือนเคาะห้องะคะ่ะป๊อกป๊อกปอกปอย่างนี้ อ่ะเราก็เลยลุกขึ้นนั่งกํำลังจะลงไปเปิดแล้วละ่ะก็เคาะอีกรอบสองป๊อก ป, อกปอก๊เราก็นึกในใจว่าเอ๊หัวหน้าเข้าห้องไม่ได้หรือเปล่าจะขอเข้าด้านหลังไหมอะไรประมาณนี้แต่ในใจแวบหนึ่งก็มีเสียงแย้งขึ้นมาบอกว่าถ้าเป็นคนเคาะจริงๆเนี่ยให้เขาเรียกชื่อก่อนค่อยไปเปิดประตูบี B ก็เลยยังนั่งอยู่กับที่ข้างบนห้องนะคะแต่เขาไม่ได้เรียกชื่อค่ะคุณผู้ฟัง เขาเปลี่ยนจากเคาะประตูห้องค่ะเปลี่ยนเป็นขึ้นมาเคาะผนังห้องชั้นสองด้านต้นมะม่วงฝั่งทิศตะวันออกสุดเสียงดังปังปังปังปังปังแล้วก็เคาะอีกปังปังปังปังปังโอ้คุณผู้ฟังคิดว่าบีจะอยู่ไหมคะอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นตีสองแล้วไม่รู้จะหนีไปไหนประตูก็ปิดข้างหลังก็ป่าช้าด้านข้างก็วัดป่า ด้านทิศตะวันออกสุดก็ไล่มันสัมปะหลังตรงข้ามก็ป่ายูคาลิปตัสจะไปยังไงได้ละ่ะก็ต้องนั่งพับเพียบอยู่ตรงนั้นแหละแต่หลับตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันลืมจำไม่ได้นะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่สองนะคะส่วนเหตุการณ์ที่สามคุณผู้ฟัง ทางเท้าสถานีวิทยุเนี่ยถ้าใครที่อยู่จังหวัดเยโสธรเนี่ยจะรู้เลยจะมีป้อมเป็นป้อมเหมือนกับป้อมยามป้อมรักษาการของตํำรวจนะคะอยู่ข้างหน้าสถานีถนนเส้นนี้เนี่ยมันจะมีอุโมงค์ต้นไม้อยู่หน้าสถานีนะคะฝั่งฝั่งทางทิศตะวันตกนี่เขาเาเรียกว่าบ้านหนองคูทิศตะวันออกบ้านคําเกิดอุ้ยถนนเส้นนี้อุบัติเหตุเกิดกันบ่อยจังเลยไม่เว้นนะคะบางค่ากลางค่ากลางคืนบางทีเนี่ยเอี๊ยตุ้ม ฝั่งที่ต้วันออกเอียดตูมตลอดแต่ว่าเรื่องนี้บีไม่ได้ประสบด้วยตัวเองอ่าเป็นพี่ที่เป็นตำรวจตดนะคะที่แกเข้าเวรอยู่แกเล่าให้ฟังจนถึงกับมีการทําบุญนะคะเลี้ยงพระเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบนถนนเส้นนี้มาแล้วเหตุการณ์ก็คือแกนอนอยู่นะคะนอนอยู่ที่ป้อมนี่แหละเพราะว่าต้องประจำการอยู่ที่ป้อมนี้ บอกดึกแล้วค่ะตีสองตีสไม่แน่ใจเหมือนกันแกได้ยินเสียงรถชนกันได้ยินเสียงรถชนกันอยู่หน้าสถานีนี่แหละนะครเป็นรถทัวร์หรือรถกระบะบีก็จําไม่ได้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแกก็เล่าให้ฟังมาค่อนข้างนานแล้วนะฮะแต่ว่าลําดับเหตุการณ์ได้แกได้ยินเสียงรถเบรกมาตั้งแต่ไกลและเสียงรถชนกันดังสนั่นวันไว้แกก็เลยตกใจค่ะลุกขึ้นมาเปิดบานเกล็ดดูหมุนบานเกล็แ ק, ดแหวกผ้าม่านดูโอ้คุณพระรถทัวร์กับรถกระบะชนกัน คว่ำอยู่ข้างทางคนนอนกันเกลื่อนเลยเกลื่อนถนนเลยร้องโอดโอยครวญครางเลยทีเดียวนะีคะแกก็ไม่รู้จะทํำยังไงค่ะเปิดไฟวิ่งออกไปดูก็ทั้งควันรถทั้งรถชนกันคนนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดก็โทรเรียกตํารวจโทรหาตํารวจโทรเรียกมู ล, ลนิธิมาเพื่อที่จะมาเก็บศพนะคะมาช่วยคนเจ็บด้วยมาเก็บศพคนเสียชีวิตด้วย พอตำรวจมาถึงแกก็ยืนรอตำรวจอยู่นะคะแล้วแกก็เข้ามาในป้อมยามของแกเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างนะคะแกก็กลัวด้วยแกก็ก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ทำไมไม่มีชาวบ้านมาทั้งทางที่เสียงดังขนาดนั้นก็มีแต่แกคนเดียวแกก็เลยมานั่งรออยู่ในป้อมของแกตำรวจก็มาแล้วคะ่ะตำรวจเสียงรถวอเสียงรถอะไรก็มากันพอมาถึงปุ๊บหน้าสถานีวิทยุแกก็ให้ปากคากับตำรวจแล้วก็ จะพาตำรวจไปดูจุดเกิดเหตุนะคะแกก็บอกว่าอ้าวพอไปถึงรถที่ชนกันก็ไม่มีที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่เจอไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตำรวจตะเวนชายแดนท่านนี้นะคะที่ท่านเองก็อายุตอนนั้นน่าจะประมาณสักสี่ มั้เพราะว่ามันก็ผ่านมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะ10กว่าปี15ปีแล้วตั้งแต่ B เองก็อายุประมาณ20่อดน่าจะได้นะคะกับเรื่องราวเหตุการณ์นี้แล้วมันก็มีอีกหลายเรื่องหลายราวค่ะที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่า b n องก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยความที่ไม่ได้ใส่ใจด้วยความที่เจอมาแล้วสงสัยแล้ว สืบสวนสอบสวนก็แล้วมันไม่ได้ความกระเจาเกิดขึ้นมันก็ทิ้งออกไปจากสมองบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เห็นว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องราวที่บีเอาไปเล่าในเดอะช็อคบีก็เลยอ่ะเล่าให้ฟังย้อนหลังกลับไป ก, ะะก็แล้วกันเรื่องราวอาจจะไม่ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนตอนที่เล่าในเดอะช็อคเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่เล่าในเดอะช็อคเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีนะคะ อาจจะมีลืมบ้างจําบ้างแต่ว่าเหตุการณ์ที่หมามันย้ายห้องเนี่ยยังชัดเจนเหตุการณ์ที่คนตกผนังห้องเนี่ยยังคงชัดเจนอยู่นะคะแต่ว่ายังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะเป็นเรื่องของรถพ่วงรถพ่วงชนกันกันกบรถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือคนในหมู่บ้านของบีเองแต่ตอนที่บีขี่รถเพื่อที่จะเข้าไปเล่นกับดีเจอีกท่านหนึ่งอยู่ในตัวจังหวัดยโสธรเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มรถพ่วงเขาก็ จอดอยู่ข้างไหลาทางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้พ่วเนี่ยตักเหมือนตักอะไรใส่ถุงดํานี่แหละบีก็มองเห็นไม่ชัดแต่ก็คือมารู้อีกทีหนึ่งว่าเป็นเศษของศพนะคะเศษศพที่ใช้มือจับไม่ได้แล้วเพราะมันเละนะคะรถพ่วงนี้เหยียบลากยาวเลยทีเดียวมันจะเป็นทางขึ้นหมู่บ้านอะไรติดอยู่ในปากเนี่ยคิดชื่อไม่ออกแต่ว่าเลยสถานีวิทยุอสมทไปนะคะใกล้พอสมควรแหละทางจะเลี้ยวเข้าไปนูน่น บ้านสิงห่านู่นนะคะและทีนี้เนี่ยบีมมาดูอีกทีหนึ่งในภายหลังว่าคนที่ตายเนี่ยคือชื่อคมเป็นคนที่อยู่บ้านแม่คือโดนรถเหยียบวันนั้นแต่ว่าวันที่เผาเนี่ยมันมาพีคอยู่ตรงนี้วันที่เผาเผาเรียบ่าวันที่เผานะคะก็คือแม่ของคนที่เสียชีวิตเนี่ยไป ไปอำเภอไปแจ้งตายหรือไปอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์ไปหาพี่สาวที่อยู่จังหวัดชนบุรีเพื่อที่จะขอเอกสารหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะคะแต่พี่สาวไม่ได้รับโทรศัพท์ค่ะพี่สาวไม่ได้รับเพราะพี่สาวกำลังอาบน้ำอยู่โทรศัพท์ก็ดังตู้ดต ต, ตอะไรอย่างเงี้ยปกติทั่วไปมีคนรับสายแทนพี่สาวเป็นผู้ชายแล้วก็คุยกับแม่ของคนที่ตายเนี่ย บอกแม่โทรมาทำไมแม่ตกใจใครเนี่ยปลายสายพูดมาบอกคมไงคมลูกแม่ไงจำคมไม่ได้เหรอแค่นี้เลยค่ะสายตัดทุกอย่างสตันไปเกือบครึ่งค่อนวันคือแม่ก็ตกใจมีใครรอเล่นหรือเปล่าสักพักหนึ่งโทรศัพท์จากปลายทางจังหวัดชนบุรีดังขึ้นมาที่เครื่องของแม่ที่จังหวัดเยะโสธร อ, อีกรอบนึง เป็นผู้หญิงค่ะก็คือเป็นลูกสาวของแม่คุณคมที่เสียชีวิตนี่แหละโทรมาบอกแม่โทรมามีอะไรเมื่อกี้หนูอาบน้ำอยู่ไม่ได้รับโทราศาพัพท์โทราศัพท์วางอยู่ข้างนอกก็คืออยู่ในห้องอยู่ตรงเตียงนอนแม่เขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยี่เหตุการณ์เป็นแบบนี้คนลุกเลยทีเดียว นะ ค, ะคนที่ได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยขนลุกและไม่ได้ยินกันแค่คนเดียวที่เป็นแม่เขาแต่ได้ยินกันหมด 5-6 คนที่เป็นญาติพี่น้องถึงกับเปิดสปิกรโฟนให้ฟังกันที่อำเภอตอนไปแจ้งตายเพื่อที่จะเอาใบามรณบัตรเนี่ยมาเอาประกันชีวิตหรืออะไรด้วยนะคะและนี่ก็เป็น2เหตุการณ์ที่บีเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปเมื่อประมาณปี53หรือ54ในรายการเดอะช็อคนะคะถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะปี5354นี่แหละนะคะเรื่องของบีก็มีอยู่แค่นี้ นะที่บีได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวของบีเองค่ะพูดถึงเรื่องราวของผีหรือว่าเรื่องของวิญญาณที่บีได้ประสบพบเจอมาแล้วขอปิดท้ายกันด้วยเรื่องของวิญญาณตายโหงคนตายโหงคือคนที่เสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนแบบไม่ธรรมดาตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการถูกยิงจมน้ำรถชนฆ่าตัวตายเหล่านี้เป็นต้นสาหรับการตายทั้งกลมก็ถือว่าเป็นการตายโหงเช่นกันนะคะ ผีตายหงเนี่ยจะเป็นผีที่จิตตกค่ะเนื่องจากจิตสุดท้ายก่อนตายอารม์ยังติดอยู่กับความหวาดกลัวความตกใจความอาฆาตความอะไรอาวรณ์ตายทั้งที่ยังทำใจไม่ได้วิญญาณก็เลยต้องติดอยู่ในบ่วงแห่งอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่สงบสุข เรียกว่าเป็นวิญญาณทรมานไม่ยอมรับสภาพปัจจุบันของตัวเองและก็ยังคงเที่ยวปรากฏกายให้คนได้พบได้เห็นค่ะยิ่งถ้าเป็นผีตายโหงที่ตายขณะยังมีความอาฆาตมีความพยาบาทก็จะมีความดุร้ายเป็นพิเศษนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงหัวค่าวันหนึ่งระหว่างที่คุณหลิวกําลังขับรถกลับบ้านทางที่คุณหลิวขับรถกลับบ้านจะเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์มีสี่เลนแล้วก็รถขับกันเร็วมากค่ะเพราะว่าเป็นเส้นเลี่ยงเมืองไม่ค่อยมีแยกไฟแดง ช่วงค่ำๆถนนก็เลยค่อนข้างจะโลง่งระหว่างทางก็ขับรถปกติแล้ค่ะคุณหลิวบอกปกติชอบขับรถขับรถเลนขวาแล้วก็เป็นคนขับรถเร็วเหมือนกันนะเวลาถนนโล่งๆเนี่ยแต่วันนั้นอารมณ์ไหนไม่รู้อยากมาขับเลนซ้ายอาจจะเป็นเพราะว่าชิลบวกกับความขี้เกียจขับเร็วก็เลยมาเรื่อยๆค่ะอยู่ที่เลนซ้ายความอันตรายของถนนใหญ่ที่มี4ี่เลนคือรถยนต์เนี่ยขับเร็วมาก และจังหวัดที่คุณหลิวอยู่เนี่ยมอเตอร์ไซค์จะไม่ค่อยมีไฟท้ายกันนะคะซึ่งอันตรายมากคุณผู้ฟงังพอขับรถเร็วมาเห็นไม่ทันค่ะสุดท้ายชนเปี้ยงเท่าให้เสียชีวิตสูญเสีย แล้ววันนี้ก็ไม่ต่างจากวันนั้นระหว่างที่คุณหลิวขับรถอยู่เนี่ยเห็นรถที่ขับสวนทางมาอีกเลนหนึ่งเป็นรถกระบ่ขับเร็วอ่ะเรียกว่าตามปกติแล้วกันแต่ที่แปลกอยู่ก็คืออยู่ดีๆเนี่ยรถชนอะไรก็ไม่รู้เสียงดังโครมค่ะคือดังเหมือนฟ้าผ่าเลยวินาทีนั้นตกใจและชะลอรถดูจำได้ติดตาคือคนกระเด็นข้ามเลนจากอีกฝั่งหนึ่งมาฝั่งคุณหลิวหล่นตุ๊บลงบนถนน ตรงเลนขวาพอดีโชคดีนะคะที่วันนั้นมาไม่ได้ขับเลนขวาไม่งั้นชนซ้าแน่นอนหันไปคือเห็นว่าเป็นรถกระบะชนรถมอเตอร์ไซค์ค่ะชนแบบเบรกไม่ทันก็คิดว่าอ่ะคงคงไม่เห็นนะตอนนั้นก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกถามว่าจอดรถดูไหมคุณหลิวบอกไม่จอดค่ะทางมันมืดและไม่มีรถตามมาข้างหลังด้วยกลัวโดนกระบะยิงเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวและก็เห็นเหตุการณ์ด้วยก็เลยขับรถเลยไปเลยแบบเสียสูญเลยคือทําอะไรไม่ถูก พอเลยไปสักพักหนึ่งก็ถึงปั๊มแล้วก็จอดรถตอนนั้นไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยโทรหนึ่งเก้ 91, ก็โทรไม่เป็นก็เลยโทรบอกลุงซึ่งลุงเป็นตํารวจยอมรับว่าใจแข็งและคิดว่าตัวเองโหดร้ายมากเช่นกันเพราะว่าไม่ลงไปช่วยอะไรเขาเลยนะคะจริงๆคิดว่าไปก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันอีกใจหนึ่งก็กลัวค่ะกลัวตรงที่ว่าไม่เคยได้เห็นคนประสบอุบัติเหตุกลัวรับไม่ได้แล้วก็กลัวรถกระดับา ท, ที่ขับชนคนนั้นเนี่ย เขาจะทําร้ายเราซึ่งพอตั้งสติได้นะคะก็ขับรถกลับบ้านลุงก็กําชับหลายครั้งว่าขับไม่ได้ให้รอที่ปัม๊มบอกที่มาอ่าบอกที่อยู่มาบอกว่าอยู่ปั๊มไหนเดี๋ยวจะมารับแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ไปที่สถานที่เกิดเหตุด้วยแต่ด้วยความที่พยายามทําใจแข็งคุณผู้ฟังก็ขับกลับบ้านได้เองโชคดีที่ไม่เห็นภาพอะไรติดตาเพราะว่าไม่มองเลยแม้แต่เหลียวหลังไปมองก็ไม่มองเลยก็ลดความตกใจไปบ้างแต่ ได้สบายใจที่ได้บอกลุงที่เป็นตํารวจแจ้งเหตุไปแล้วปลอบใจตัวเองแล้วว่าเขาคงรอดแม้ใจนึงจะตอบว่ามไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าแรงขนาดนี้กระเด็นข้ามเกาะกลางถนนมาเชียวแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองจนหลับไปนะคะแล้วคืนนั้นเขาก็ฝันคุณผู้ฟังฝันเป็นฝันที่น่ากลัวฝันว่ามีผู้ชายคนนึงมาหาตัวโชคเลือดเลยตรงขาของเขาบิดงอไม่เป็นรูปที่สําคัญเดินไม่ได้ลากตัวเองมามาบอกว่าเขาขออยู่ด้วยขออยู่ด้วย พูดซ้ําๆกันพูดแบบนี้เลยแล้วลากตัวเข้ามาหาคุณหลิวคุณหลิวบอกไม่เอาไม่ให้อยู่จนสะดุ้งตื่นคุณหลิวบอกเป็นฝันที่น่ากลัวมากค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังคิดว่าเป็นความฝันที่บ้านก็รู้แล้วแหละว่าไปเจออะไรมาเขาก็บอกว่าอาดีละที่ไม่หยุดรถดไม่ได้หยุดรถลงไปดูเพราะมันมืดลุงจัดการให้หมดแล้วไม่ต้องคิดมากนะแล้วก็รู้ว่าเขาเสียชีวิตแล้วคนที่ถูกรถชนตายค่ะที่นี่เป็นผู้ชายคุณหลิวอึ้งค่ะคือคิดเหมือนว่า เหมือนในฝันเลยแต่ก็บอกตัวเองว่าเออคิดไปเองละมั้งแต่คืนที่2คือฝันอีกเจอเขาอีกมาเหมือนเดิมค่ะขออยู่ด้วยไม่มีที่ไปเขาบอกแบบนี้เลยแล้วเขาก็ร้องไห้คุณหลิวยอมรับตัวเองอดทนมากค่ะในความฝันก็ปล่อยให้เกิดขึ้นแบบนั้นแหละจนวันที่3ามเขาก็ยังมาอีกมาด้วยสภาพที่น่าสงสารคือเขาตายยังไงเขามาแบบนั้นจนคุณหลิวอดสงสารไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปนุ่งขาวห่มขาวให้เขาที่วัดนะคะ คุณหลิวเข้าใจว่าอาจจะเพราะว่าเราเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเขาตายเขาก็เลยตายโหงด้วยแหละด้วยสภาพแบบนี้ก็เลยไปถือศีลส่วนหนึ่งอยากทําบุญอีกส่วนหนึ่งอยากไถ่าบาปเพราะตอนเขาโดนชนเราไม่หยุดลงแม้แต่จะไปดูเขาเลยขับผ่านไปเลยใจดํามากแล้วตอนที่เขามาหาในฝันจริงๆตอนแรกไม่ค่อยยอมรับค่ะเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองเป็นคนใจดําคนหนึ่งจริงๆในตอนนั้นแต่สุดท้าย อะไรที่ทำได้ก็ทำให้เขาไปตอนไปวัดก็ไม่เจอเขามาหาอีกเลยพอออกมาจากวัดเขาก็หายไปเลยไม่เจออีกเลยก็คิดว่าคงจะไปดีแล้วล่ะนะคะคุณหลิวบอกว่าเรื่องที่เล่ามาเนี่ยไม่ได้อยากให้กลัวกันนะแต่ว่าอยากจะเตือนสติว่าเวลาอยู่บนท้องถนนนี่ให้ระมัดระวังสิ่งที่คาดไม่ถึงด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ส่งผล แค่ความแค่ความตายแต่ว่ามันส่งผลให้วิญญาณของเราเนี่ยต้องทรมานกับการติดอยู่เครื่องเครื่องกลางๆระหว่างพบสองพบนะคะผู้ชายที่เสียไปคนนั้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เคยมีชีวิตแล้วคิดดูว่าผู้ชายคนหนึ่งต้องขอร้องคนอื่นด้วยน้ำตาในสภาพที่เขาเองก็ต้องทำอะไรไม่ได้มันน่าสังเวชใจแค่ไหนคุณผู้ฟังรู้เลยนะคะว่าการตายโหงเป็นสิ่งไม่คาดฝันและวิญญาณตายโหงก็น่าสงสารมากในขณะที่เรายังมีชีวิต ก็เลยอยากให้รักตัวเองมากๆค่ะระมัดระวังบี B. จะไม่ขอพูดถึงคนที่ขับชนเพราะว่าคนคนนั้นได้รับกรรมทางโลกตามกฎหมายของเขาไปแล้วแต่คนตายไม่มีวันฟื้นและไม่มีใครช่วยเขาได้ระมัดระวังเสมอเมื่ออยู่บนท้องถนนนะคะหมดเวลาของทราเจอผีแล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยแล้วก็ที่สําคัญกดติดตามออออีกนิดนึงฝากดูโฆษณาที่ปรากฏขึ้นมาในคลิป30วินาทีก็พอแล้วตัวเองค่อยกดสคริปข้ามไปนะคะสวัสดีค่ะ